ก็มมีควาสุขเพื่อให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นท่านแสดงตัวอย่างให้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนไว้เหมือนดังว่าคนผู้หนึ่งเดินทางกันดานมาแสนไกลแดดก็ร้อนจนเหงื่อสมตัวทั้งหิวทั้งกระหายเหลือเกินถึงจุดหนึ่งเห็นคนเดินทางสวนมาก็ถามว่าในทางที่ผ่านมามีน้ำดื่มที่ไหนบ้างไหม ในคนนั้นตอบว่าโนนดูสิ 2, ข้างหน้านโนนท่านผ่านดงนั้นไปจะมีทั้ง ส, สาหน้ำใหญ่และพรายสนพอได้ฟังคำบอกแค่นั้นเขาก็ดีใจเหลือเกินร่าเริงขึ้นมาเลยเมื่อเดินต่อจากที่นั้นไปได้เห็นกลีบก้านใบและดอกบัวเป็นต้นที่ตกเกลื่อนบนพื้นดินก็ยิ่งดีใจร่าเริงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเดินต่อไปอีก ก็ได้เห็นคนมีผ้าเปียกผมเปียกได้ยินเสียงไก่ป่าและนกยุงเป็นต้นแล้วใกล้เข้าไปเข้าไปก็เห็นไพรสนเขียวในบริเวณเขตสะน้ำเห็นดอกบัวที่เกิดในสระเห็นน้ำใสสะอาดเขาก็ยิ่งดีใจร่าเริงปลาปลืม้มยิ่งขึ้นไปขึ้นไปทุกทีทุกทีแล้วในที่สุดมาถึงสระก็กระโจนหรือก้าวลงไปพอถึงน้าได้สัมผัสก็ชามชื่น ใจที่ฟูขึ้นพองออกไปก็สงบเข้าที่เขาอาบดื่มตามชอบใจระงับความกระวนกระวายหมดไปเคี้ยวกินเง้ารากใบบัวเป็นต้นจนอิ่มหนำแล้วขึ้นจากสะมาลงนอนใต้ร่มม้เย็นสบายมีลมอ่อนๆโชยมาพูดกับตัวเองว่าสุขหนอสุขหนอตามตัวอย่างที่ท่านยกมาเปรียบเทียบนี้จะเห็นว่า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 ซึ่งอยู่ในตอนที่ได้สวยรสอารมณ์ปีตินั้นมีลักษณะฟูพองพลุ่งขึ้นสูซ่าราบซานปราบลืมซึ่งกระแสนจะดีอย่างยิ่งแต่ถึงจะดีอย่างไรปีติจะค้างอยู่ไม่ได้เพราะยังไม่สมยังไม่รู้จุดหมายสุดท้ายก็ต้องมาจบลงที่ความสุขต้องดีสุดตรงที่สุข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 เครียดเป็นต้นนี้ได้เต็มที่เพราะอยู่บนฐานของโมหะและหยิ่งกับความยึดถือตัวตนแต่ความต้องการฝ่ายชันทะมากับปัญญาเป็นปกติอยู่แล้วปัญญาจึงทําหน้าที่จัดปรับแก้และกันปัญหาเหล่านี้ไปพร้อมในตัวพอพูดถึงอาการของความต้องการก็เลยมีแง่ซับซ้อนเล็กน้อยที่ควรจะพูดไว้ประกอบความรู้ด้วย คือนอกจากการระ ง, งับความต้องการด้วยการสนองที่พูดมานั้นก็มีการระ ง, งับความต้องการด้วยการไม่สนองซึ่งเป็นการกระทำในทางตรงข้ามที่นี้เมื่อความต้องการเกิดขึ้นถ้าพยายามระ ง, งับด้วยการไม่สนองมันไม่ยอมตามมันโดยขัดขวางหรือขัดขืนฝืนใจกดข่มหรือบังคับก็จะยิ่งทาให้มีอาการรุนแรง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 ก็เช่นการให้ฝ่ายกุศลมีกำลังเหนือกว่าอย่างง่ายๆก็เช่นให้ฉันทะที่ฝ่ายรู้ฝ่ายดีที่อยากค้นคว้าหาความรู้แรงเข้มกว่าตัญหาที่ฝ่ายมั่วฝ่ายเสพที่อยากหนีโรงเรียนไปกินเหล้ากับเพื่อนสุราบานอีกอย่างหนึ่งคือใช้วิธีแทนที่เช่นมองไปที่เงินของคุณจอ อยากจะขโมยเอาเสียแต่นึกถึงว่ากุญจอหาเงินมาด้วยความยากลำบากมีทุกข์มากอยู่แล้วไม่ควรไปเพิ่มทุกข์ให้เขาเกิดการุ่นาวหรือการุ่นขึ้นมาตัญหาก็แห้งหายสงบไปส่วนวิธีทางปัญญาก็เช่นว่าเขาเอาทองคำมาขายให้ในราคาแสนจะถูกก็ตาลุกอยากได้เหลือเกิน จะพอรู้ทันว่าเป็นทองเกความอยากได้ก็หายวับไปหมดสิน้นสงบลงได้แต่ปัญญาอย่างนี้ควรเรียกล้อว่าเป็นปัญญาเทียมแค่รู้ทันทองเก๋พอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีจะเป็นปัญญาแท้ก็ต้องอย่างพระสาวกที่มองเห็นความจริงว่าเงินทองเพชรนินจินดาประดาทรัพ์ไม่ใช่แก่นสารของชีวิต ไม่เป็นของเราของเขาของใครจริงทําชีวิตให้ดีงามประเสริฐเป็นสุขแท้จริงไม่ได้ทั้งเราทั้งมันก็เป็นไปนตามธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าจะอยู่กับมันก็ต้องใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันไม่ให้เป็นเหตุก่อโทษทุกภัยเมื่อจะเปิดโล่งสู่ความเป็นอิสระเสรีมีสุขที่แท้ก็สละละได้ทั้งหมดในทันที อย่างนี้คือปัญญาที่ทำให้ตัณหาไม่มีที่ตั้งตัวจึงสงบจริงรวมแล้วไม่ว่าจะสงบระ ง, งับด้วยการสนองความต้องการก็ตามหรือสงบระ ง, งับด้วยวิธีทางจิตทางปัญญาให้ไม่ต้องสนองความต้องการที่ไม่ถูกไม่ดีก็ตามความสงบนั้นก็เป็นความสุขและความสุขก็คือความสงบสันติเป็นสุข